สิกขาบทที่สถามพระผู้มีพระภาตอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้เลาะหรือใช้ให้เลาะจีวรแล้วไม่เย็บไม่ขวนขวายให้เย็บณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกกรุงสาวัตถีถาม ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลนันธาให้เลาะจีวรของภิกษุณีแล้วไม่เย็บให้ทั้งไม่ขวนขวายใช้ผู้อื่นให้เย็บในสิกขาบทที่สมนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน